ยาสีเรียบเรื่องดีพยาค่ะการละครั้งหนึ่งมีนครอยู่นครหนึ่งและมีกษัตริย์ครองนคร กษัตริย์ทรงโปรดปรานการท่องป่าล่าสัตว์เป็นอันมากกษัตริย์ทรงมีมหาดเล็กคู่ใจเป็นที่ปรึกษาอยู่คนหนึ่งวันหนึ่งได้เกิดกบฏขึ้นภายในพระนครมีคนลุกฮือขึ้นจะโค่นอำนาจกษัตริย์ซึ่งก็มีแววจะชนะซะด้วยเมื่อกองทัพกบฏประชิดเมืองกษัตริย์ก็ได้ปรึกษากับคนสนิทเป็นการใหญ่ ซึ่งรวมไปถึงมหาเล็กคู่ใจของเขาด้วยกริยัถามว่าเจ้าคิดยังไงกับเรื่องนี้ดีพ่ะยะค่ะดียังไงสถานการณ์เวลานี้แม่จะดูไม่สู้ดีนะแต่อย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่าใครบ้างที่จะจงรักภักดีกับเราใครที่คิดจะแปรพักไปด้านโน้น ซึ่งหากเราปราบกบฏครานี้ลงได้ท่านก็จะเหลือแต่ลูกน้องที่จงรักพักดีกับท่านทำให้ไม่ต้องกังวลพระไทยอีกต่อไปพเ ะ, ะค่ะอืมนั่นสินะหลังจากนั้นกษัตริย์ก็มีกำลังใจเป็นอันมากและปราบกบฏลงสําเร็จหลังจากนั้นไม่นานพอย่างเข้าหน้าฝนฝนก็ตกหนักจนท่วมลามเข้าพระนคร ทำให้การคมนาคมติดขัดไม่สามารถเดินทางออกนอกพระนครได้กษัตริย์ที่ปกติจะออกป่าล่าสัตว์ก็เกิดอาการงุดหงิดกษัตริย์ก็ปรึกษามหาดเล็กอีกครั้งเจ้าคิดยังไงกับเรื่องนี้ดีพะยะค่ะดียังไงถึงแม้ตอนนี้เราจะไม่สามารถสัญจรไปไหนมาไหนได้ ก็ไม่เป็นไรเพียงค่ะเนื่องจากตอนนี้เป็นหนาฟ้นอย่างไรเสียการเสด็จออกป่าก็คงไม่สนุกเป็นแน่แท้และเป็นการดีเสียอีกที่พอน้าลดกเกษตรกรของเราก็จะได้ทําการเพราะปลูกได้ผลผลิตงอกงามและสามารถกักตุนสเสบียงไดในยามจําเป็นเพียงค่ะอืมนอนสินะ พอเสร็จสิ้นหน้าฝนและน้ำลดแล้วกริย์ก็ทรงออกป่าล่าสาั์ตามที่พระองค์ชอบเหมือนเดิมซึ่งมหาดเล็กคนเดิมก็ติดตามไปด้วยแต่แล้วขณะที่พระองค์ทรงอยู่บนหลังมา้าปลอกพระขันหรือมีดพกที่เหน็บเอวได้รั่วทำให้มีดหล่นเฉืนนิ้วก้อยที่เท้าของกริย์ขาดไปต่อหน้าต่อตากลายเป็นคนนิ้วด้วน กษัตริย์จึงถามมหาดเล็กเช่นเดิมเจ้าคิดยังไงกับเรื่องนี้ดีพย่ะค่ะดียังไงฮะกษัตริย์ใส่อารมณ์โกรธสุดๆยังไงก็ดีกว่าตายพย่ะค่ะกษัตริย์โกรธเลือดขึ้นหน้ามากสั่งทหารนามหาดเล็กคนนั้นไปขังลืมในคุกขี้ไก่และแล้วสิบปีผ่านไป กษัตริย์ได้ออกล่าสัตว์เหมือนเดิมขณะที่มหาดเล็กก็ยังถูกลืมอยู่ในคุกขี้ไก่เหมือนเดิมครานี้เป็นโชคร้ายของกษัตริย์เมื่อเข้าป่าไปเจอกับเผากินคนซึ่งมีจำนวนมากกว่าจำนวนทหารที่ติดตามไปด้วยมากทหารทั้งหมดจึงถูกจับและถูกต้มกินเป็นเป็นหมดเกลี้ยงจนเหลือแตก่กษัตริย์องค์เดียว มเมื่อเผากินคนเตรียมจะเชื่อดกษัตริย์ลงหม้อได้สังเกตเห็นว่ากษัตริย์ไม่มีนิวก้อยที่เท้าซึ่งทางเผากินคนได้มีความเชื่อถือว่าเป็นตัวกาลักกินีกินเข้าไปแล้วจะเกิดภัยพิบัติใหญ่หลวงแก่เผาจึงสั่งปล่อยตัวกษัตริย์ไปกษัตริย์ดีใจมากเมื่อกษัตริย์ดีใจที่รอดตายกลับเมืองได้ จึงนึกถึงคำเมื่อสิบปีก่อนของมหาดเล็กคู่ใจจึงลงไปที่คุกขี้ไก่และสั่งปล่อยตัวมหาดเล็กคู่ใจทันทีและส่งเล่าเหตุการณ์ที่เจอมาด้วยความดีใจที่รอดชีวิตมาได้อืมคำเจ้าเมื่อสิบปีก่อนเป็นจริงยังไงนิ้วก้อยด้วนก็ยังดีกว่าตายจริงๆไพ่ค่ะ กษัตริย์จึงถามต่อแล้วอยู่ในคุกขี้กายเป็นไงบ้างล่ะฮึดีพระเอี่ะค่ะกษัตริย์ทำหน้าง ง, งดียังไงถ้ากระหม่อมไม่อยู่ในคุกก็ทรงเสด็จตามท่านไปในวันนั้นด้วยและคงจะโดนเผากินคนกินไปแล้วพระเอี่ะค่ะ